ทำจักหน่อยเนะบังทำบมรนิดจิตเจ็บใสอาใช้การฟังอาใช้การกระทําการฟังทําการปฏิบัติทํากัรเป็นเจ้าสลรพันดนีสมบารธนา ไม่มีอะไรที่สมปรารถนาเท่ากับการปฏิบัติธรรมจากรู่กับลูอ่อ้าเวลาวันลงกับลู่ได้ขอให้เปลี่ยนที่คือเปลี่ยนจะตามอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักเรามีความรู้สึกตัวเป็นฐานเป็นเสาหลักถ้ามันไม่ใช่ของลูก่ก็เปลี่ยนมาเป็นความลู่ ไว้ว า, างไว้ตรงไหนเป็นนิมิตนั้นก็นิมิตนั้นกับเสาหลักเข็มขี่ได้นี่เราจะปักตรงนี้อะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็กลับมาเกียนหยัดทำได้ไม่มีอะไรที่แย่งได้เพราะมันเป็นของจริงเราลู้กาน กายก็มีอยู่ไม่ใช่ชิดรู้เป็นการรู้ที่สัมผัสการรู้ที่พบเห็นไม่ใช่การรู้ที่เชิดเหน็นกายก็มีกายจริงๆเวลามันหลงก็เห็นมันหลงจริงๆความหลงไม่ใช่ความคิดมันเกิดความหลงขึ้นมาอาศัยความคิดเป็นเหตุบ้าง อาศัยตาอาศหูเป็นเหตุทำให้เกิดสภาพที่หลงปไปแล้วก็มีเหตุแย่งได้ขี่เขี้เขตพวกเรานี้เราก็ลังดูปล่อยเคลื่อนไหวไปมาถ้าวันไปทางอื่นก็แสดงว่ามัเอาใส่เียด้วยก่อนไม่เนื่ใ้ช้เนี่ยแต่ว่ามันใชกันพูด บางคนรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวขี้วัดเป็นเจนที้วัดผิดผิถูกถูกกถูกกกูบางคนรู้สึกตัวม่ใช่เป็นผิดไม่ใชเป็นถูกไป่ช่เป็นทุกคือบางคบรู้สึกตัวมันเหนือทุกอย่างมันเป็นใหญ่กว่าทุกอย่างความรู้สึกตัวนี้เป็นอิงซี สติอินรีใจญกว่าตาใหญ่กว่าหูใจกว่าจมูกเลิ่นงกายใจมีลูกมีรถมีจิตมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์แต่สติอินรีนี่ใหญ่กว่านั้นแต่ก่อนอันนั้นก็เป็นใหญ่พอมามีสติแล้วมัน ความใหญท่ที่ถูกต้องคือความรู้สึกตัวเนี่ย ต, ตาหูจมูกเร่งกายใจเป็นใหญ่แบบความหลงสมมติปัญญัติไม่ใช่ปรมัต์สัจจะตาเห็นโูกชอบไม่ชอบเป็นสมมุติปัญญัติแต่ถ้าสติเป็นปรมาสต์สัจจะรู้สภาพที่รู้เนี่ย ไม่ใช่เป็นสภาพที่อะไรมาสมมุติได้เราจึงมีสภาพตีลูเนี่ตั้งให้มันได้ตั้งไว้ได้ต้องตั้งไวต้องมีนิมิตที่ตั้งไว้ตั้งไว้ถ่ยันตั้งไว้รูปแบบภูกระมาฐานเนี่ย อันสูรแบบแล้วกายเคลื่อนไหวใจกันเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายมีหลายอย่างยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกเรื่อง เ, เรื่องของการแ ย, ยะๆแต่ว่าต้องตั้งใจเฉพาะเรื่อง ไม่ใช่ใหร อ, อ้างั้นอะไรที่ทำให้หนีจากหลักมันก็มีเหมือนกันที่เราไม่สติอยู่ที่กายเคลื่อนไวหวในที่มันทำให้หนีจากนี่ก็มีเยอะแยะเราก็ต้องอย่าอย่าค่อยตามง้าหนักแน่นเลย มันเป็นปฏิบัติทุกโอกาสอันหลงก็เป็นการปฏิบัติมันสุขก็เป็นการปฏิบัติอันหลงก็รู้ปฏิบัติแล้วอันทุกข์ก็รู้ปฏิบัติแล้วอันสุขก็รู้ปฏิบัติแล้วถ้าเข้าถึงตัวรู้นี่ถือว่าเป็นนักปฏิบัติทั้งชีเกียรตก็รู้การขยันก็รู้วันทัวรก็รู้ อ่อนแรงก็รู้ตัวรู้อย่างเดียวมันก็สมบูรณ์แล้วถ้าสมมติเราตัวรู้สึกตัวึ้นมาก็มีความกล้าอยู่ในคมรู้สึกตัวแล้วถ้ามันขี้เกียจปีความรู้สึกตัวมันก็มีความขยันอยู่ในตัวแล้วถ้ามีความทุกข์ความรู้สึกตัวมันก็มีความไม่ทุกข์อยู่กับควมรู้สึกตัวแล้ว ก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวมันเป็นตัวตรงกันข้ามอยู่มันหลงถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็มีความไม่หลงอยู่ในความรู้สึกตัวแล้วบูรณญแล้วมันจึงเป็นเจ้าเสือพัดนึกสมปรารถนาไม่ต้องไปเอาอะไรท่อนรอนอะไรนอกไปอีกนะใช่เรียเนเกิดรู้สึกตัวแล้วก็ มันก็ถูกต้องไปลหลายๆอย่างเป็นพวงไปแล้วสำรวจ ด, ดูมันไม่ยากมันทําได้เป็นการปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกอย่างมันก็มีสิ่งที่เราทําให้มันได้เคยไม่ได้ทำํำก็เคยทคําขึ้นมาแค่แต่ก่อนนี้ความขี้เกียจกลายเป็นความขี้เกียจ พอมีความรู้สึกตัวแล้วขี้เกียดรู้ไม่ความขี้เกียจพอหยุดทํความเถียนป่าลกคองเถี่ยนในความขี้เกียจมันมีความขยันอยู่ถ้ามีความรู้สึกตั ว, ต together, วความขี้เกียจเลยเป็นใหญ่ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่เป็นแม่ใหญ่กว่ากลัวถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วก็มีความกล้า ตรงกันข้ามจึงเรียกว่าปฏิบัติได้หาความกล้าในความกลัวหาความขยันในความขี้เกียจหาความรู้ในความหลงหาความมืดอยู่ในความสว่างหาความสว่างอยู่ในความมืดนั่นเป็นอย่างนี้ปฏิบัติทำไม่ใช่ความมืดเป็นความมืดไม่ใช่ความหลงเป็นความหลง ไม่ใช่ความทุกข์เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความโกรธเป็นความโกรธไม่ใช่ความหลงเป็นความหลงมันเป็นความรู้สึกตัวเอาจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกตัวมันง่ายๆของที่มันง่ายอย่าให้มันยากของที่มันเบาอย่าทำให้มันหนักมันทำได้จริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้อะไร ไม่มีอะไรที่จะทําได้เหมือนกันปฏิบัติเพราะดื่ยังเสี่ยงมีเหตุปัจจัยหลายอย่างอาชีพการงานของเรามีเหตุปัจจัยหลายอย่างทำใเราผิดพลาดเสียหายจ่ายเหตยปัจจัยต่างๆเช่นช า, นาวนาสวนไม่ดีจัดนาไม่ได้ เจ้านาฝนดีธนาได้ราคาข้าวมาดีก็ไม่สมปรารถนาลองทนสูงสายติดฝนมาได้เท่าทวนในกระจายัอยู่ที่อื่นแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันอยู่กับเราเธอเธอเรามันหลงไม่มีเหตุใจเนียนเนี่ยมันหลงตรงๆหลงโง่ๆหลงซื่อบือ้อ แล้วก็รูกันทีไม่มีอะไรมาเป็นวัตถุกทียที่สองมาแยกมันตรงกันพอดีตัวต่อตัวตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งการปฏิบัติจากนี้มันไม่เลวิสัยถ้ามันหลงก็รูมันตรงกันข้าวอาจากภาพที่รู้ที่หลงอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกเป็นขั้นที่สองที่สา ม, มันมีหลงก็มีลูกหนึ่งตัวหนึ่งมันมีสุกก็มีลูกหนึ่งตัวหนึ่งมันมีทุกก็มีลูกหนึ่งตัวหนึ่งมันมีความโกรธก็มีตัวลูกหนึ่งต่อหนึ่งมันไม่ยากไม่มีใครทำมาได้เลยปฏิบัติทำนะ ตัวทีเจ้าจึงขยันเรื่องนี้ก็ตือรือร้นมันทำได้นหนะมันทำได้นี่นะนนนะแต่เขาไม่ทำทำไมก็ไม่ทำเพราะเขาไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาดูลองมาศึกษาดูมามีสติดูสัมผัสดูสติมันก็ไม่ได้หาไม่ได้สร้างมันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่ใช่ประกอบไม่ใช่สัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่สัมผัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นของจริงเราอาจจะสัมผัสอย่างอื่นมากกว่าสัมผัสของรู้สึกตัวสัมผัสกลมหลงชินชาติกลมหลงถ้าเรามีกลมรู้สึกตัวแล้วกลมหลงมันจะมีเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ลางจืดเหมือนกับลางจืดแค่เบื่อแค่เมาเบื่อเหตุแต่าันหนึ่ ง, ง้องตาเคยแค่ยางลางจืดนะช่วยเด็กแตันหนึ่งครับปลูกพายชาวบ้านนี่นีเขาปลูกพาย นอนกินฝ้ายเขาพอนอนจินฝ้ายเขาฉิดยานอนก็ไม่ตายเอาจ้างเด็กไปเจ็บตัวนอนเดกก็เบื่อแค่ยาเราก็เอาลองจืดต้องมาเขากินอันเบื่ออันเมาอันพิษก็จืดจงได้ท่านีา้ของแย่กันอยู น, นั่นเลยว่าเป็นวัตถุอันภายนอกถ้าไม่มีแรงจูดมันก็ไม่มีอะไรทําได้แต่ว่ากองหลงกองลูกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดมันเกิดที่เดียวกันแต่ภาพที่หลงก็อยู่ในกายในใจแต่ภาพที่ลูกก็อยู่ในการในใจเราจึงไม่เหลือวิสัยเยอะไม่ต้องอะไรมันฝ่าถนามันสมฝ่าถนา ถ้าจะเป็นบุญก็มีตัวลูกเนี่ยตัวลูกเป็นที่เกิดแห่งบุญถ้าเป็นศีลก็มีตัวลูกเป็นที่เกิดแห่งศีลถ้าเป็นสวรรค์ก็มีตัวลูกทำให้ใจมันดีถ้าจะมีนิพพานก็มีตัวลูกทำให้ใจมันเย็นมีทั้งรู้มีทั้งดีมีทั้งเย็นของลูกนะถ้ามีมากนะมันเย็นได้จริง มันรู้ได้จริงๆใจมันดีจริงๆถ้ามีตัวรู้ใจมันก็ดีไปเลยเหมือนเราไม่มีความสปกปศกมันก็สะอาดไปเลยตอนมีความรู้สึกตัวมันก็สะอาดไม่เปือไม่เพื่อนแล้วถ้ามีภาวะที่รู้สึกตัวนะ่ะมันต้อง ไ, ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ไปกันได้แล้ว งั้นเราซักผ้าที่เพื่อนเอาผงซักผ้าไปแส่น้ำเอาผ้าไปจุ่มในน้ําที่มีน้ําผงน้าอย่าซักผ้าข้าจะโปกก็ออกไม่ต้องไปคิดอะไอยากให้มันออกเมื่อไหร่มันจะออกทำไมมันจะออกไม่ต้องไปคิดเลยเพียงการกระทํามันก็มันก็กระจัดเองลนะ ถ้ามีส่วนเหมือนหมอรักษาโรคสองตาเป็นโลกมะเล็งตอเนเมื่อจเจอเลวลาคอไปสู่ตบอน่นหมอบอกว่าต้องให้เคมีรักษาได้เขาให้เคมีจะไปให้เคมีถ้าตอเนเมื่อตับอ่อนก็ยุบลงไปตอเนเมื่อในคอก็ยุบลงไปนั่นเลยว่า โอสถว่ายาอันพุทธธรรมะเป็โอสถมากับรักษาความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ท <pad> ุกอย่างที่มันเกิดปัญหาในกายในใจเราจะเป็โอสถสกัดตวาพุทธวัตรตรงโอสถังุตตมังวะนะสกัตวาธรรมะตะนังโอสถทงมุตตมังวะสกัตวาสังฆระตรสังฆระตระไม่ใช่ พุทธะตรัธรรมะตรัไม่ใช่รุ่นเดียกอดมันเป็นธรรมมันเป็นคุณธรรมเริ่มจากสติกับกชัญญาเนี่ยมันไม่เป็นไรมันรู้ตัวรูกมันก็ไม่เป็นมันเห็นเห็นแล้วไม่เป็นตัวลูกเนี่ยมันเป็นตัวเห็นนะเห็นเห็นกัะทั้งนามนามธรรมเห็นทั้งรูประธรรม เมื่อมันเห็นมันก็ไม่เป็นมันจึงสะอาดเมื่อไม่เป็นมันก็จึงอยู่เหนือทุกอย่างในโลกเห็นเห็นมันแก่ไม่ใช่เป็นผู้แก่เห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่ใช่เป็นผู้ตายเห็นมันไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นผู้ไม่เที่ยงเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้เป็นทุกข์ เราก็เห็นหน่อยวาวะที่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยไม่เหมือนภาวาที่เป็นทางกันกันระลกเลยคำว่าเป็นกับว่าเห็นอะเนี่ยจยากให้เราที่สัมผัสต ร, ตรงนี้ให้ให้ลึกซึ้งลงดูสิเรื่องมันหนาวเห็นมันหนาวอยูน่นะไม่ใช่เป็นผู้หนาว เพรเห็นมันหนาวมันตักนก็เป็นผู้หนาวมันจะมีรสชาติต่างกันสักหน่อยอันหนึ่งเป็นรสกระดัอันหนึ่งเป็นรสข อ, องความหนาวก็เป็นตัวเป็นตนผู้หนาวถ้าเห็นเปนหนาวไม่ใช่กูเลยไม่ใช่มีตัวเป็นตนหรอกมันก็เป็นเาะว่ที่เห็น คว า, ามหนาวก็จริงแบบความหนาวมต่ไ ม, ม่จริงแบบที่ไม่เป็นผู้หนาวถ้าเป็นผู้หนาวมันจริงกว่ามังเป็พวกเป็นชาติถ้าเห็นมันหนาวมันไม่มีพบเป็นชาติเลยตอนร่อนความทุกขความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยหวานกันเหมือนกันทั้งหมดตัวเดียวคือราวะที่เห็ น, นเดินเดียวท่างไปกํากับเป็นตัวกํากับของโลก เป็นตัวฉเฉลยโลกเภาวะที่เห็นนะภาวะที่เห็นนมันไม่ใช่เห็นแบบตาเนื้อไม่เห็นแบบธรรมเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไมใช่เห็นแบบตาเนื้อที่ไปเห็นดวงตาเห็นธรรมเือมันเห็นแบบนี้เห็นทุกไม่ใช่เป็นผู้ทุกเห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธเห็นความหนาวไม่ใช่เป็นผู้หนาวเห็นความเก็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บ เียว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่อาตาปนสีเห็นแสงเห็นินดอ ต, ต่างๆนันไม่ใช่เห็นธรรมก็เห็นเรื่องของกายของเราเนี่ยมันมีเยอะเรื่องของกายของใจเราเน่เรื่องเดียวฉายตลอดทบตลอดชาตินั่นไม่จบ มันน่าจะจบความหลงมันก็น่าจะจบความทุกข์ก็น่าจะจบความโกรธน่าจะจบแต่มันช้าอยู่ตลอดทุตลอดชาติแล้วก็มีรสมีชาติด้วยกับรสชาติของโลกถ้าเห็นมันไม่มีรสเลย ถ้าสุกเป็นมันสุกนะไม่มีโรสเลยในของสุกถ้าเป็นข้าวสุกเป็นผู้สุกมีรสชาติถ้าทุกเป็นผู้ทุกเป็นรสชาติรสของโลกฉันโลกย่อมดิบรสของโลกผู้เห็นโลกก็เลยไม่ติดรสของโลกนั้นปาตดิดเป็ดเราวจึง มาดูสิดูมาดูรถของโลกดูสิโดยมีสติจำจริยให้มีให้มากขึ้นมาอาล่าจากกาจากใจเรานี่ที่กายที่ใจเรานี่เป็นที่ตั้งเป็นที่ตอตกโลกสักสะพานออก ภาวะที่รู้ที่เห็นเนี่เป็นการซักสะพานออกภาวะที่เป็นเหมือนทอดสะพานเขาไต่เต้าถึงกันแบบไม่มีที่ให้ตั้งภาวะที่เป็นไม่มีที่ตั้งร่างภาพที่เห็นเกิดขึ้นแล้วมันตั้งให้ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งเลยมองเห็นก็นี่เป็นลูกนี่เป็นนาม ไม่ใช่ตัวช่ตนเถ้าเป็นกายเป็นใจมันมีสะพานแล้วก็ตามที่ประสบก็ถูกข์ก็ทุกข์ทาทุกข์ทุกข์กเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันเป็นมันเป็นอาการไม่ใช่เรียกว่าสุขวัตเจกัตทุกข์มันเปลี่ยนได้เป็นอาการไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่ปิดถูกเป็นอาการอาการนี่มีคุณค่า ได้ไประโยชน์ได้ความรู้ได้ปัญญาถ้าเห็นเป็นตนนี่มีแต่งูมีแต่งูกูจนกูหนาวกูพอใจกูไม่พอใจกูได้กูเสียโง่ไปตัวเอาของที่ไม่ใย่ตัวตนว่าเป็นตัวนตน ไปถของได้ว่าเป็นของเราไปถือของเสียว่าเป็นของเรามันก็เป็นอยู่ น, นั้นตัวโลกกระทำอันมีนาคอนเราไม่มีนาครเราที่เร า, าไม่เกิดเลใครเกิดขึ้นมาก็ตกอยู่ในใต้ของโลกกระทำมันนี้ถ้าเราไม่บรรลุธรรมอยู่ในอำ น, นาจของโลกก ร, ร, ระทำกังสดก็ตกอยู่นเราจึงมาดูวัน มันก็ไม่ใช่จริงๆริงไม่ใชเราได้เราเสียอันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของของเหตุของปัจจัยไมเใช่ของที่มันโชคร้ายโชคดีไม่ใช่ที่มันได้เรวไปโชคดี ถ้ามันเสียโชคแล้วมันไม่ใช่นั่นเป็นอาการที่เป็นเหตุเปจนใจธรรมชาติของเขาส่วนที่ทํานีเป็นอันเดียวมันได้เห็นนันเดียวมันเสียก็เห็นอันเดียวอันลดของควได้ลถของงคเสียไม่มีมีแต่เห็นก็ฉลาดเตื่นป่ไม่ง้อใจง้ออีกมันไม่ มันทำไมได้ของที่มันฉลาดจะไปโง่อีกมันเอาไม่ได้เหมือนกัอบอาเกียนออกก็แล้วจะเอามา่อ้นลงไปอีกมันเอาไม่ได้มันมันเบื่อหน่เคยทุกเบื่อหน่ายในความทุกข์ที่ตนหลงทุกพอความเป็นทุกทุกพอความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเบื่อหน่ายเท่ากับความทุก ไม่มีได้เบื่อหน่ายเท่าความมาเที่ยงในสังขารในรูปในนามนไม่ใช่เบื่อหน่ายอันอันอื่นถ้าเบื่อหน่ายในความทุกข์ในความมาเที่ยงในความมาเช่อตัวต น, นอันอื่นก็ถูกค้องไปหมดเลยเจียว่าไต่ลักจะเลื่อในไต่ลักอย่างเดียวเอียงไปสู่บัชสิผนได้ง่ายๆแค่เห็นตรงเนี้ยความเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยง ก็ไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็ไม่สุข ก, ก็ไม่เที่ยงอะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เที่ยงทั้งนั้นแต่เราไปเอาว่าเป็นเรามันควาไม่เที่ยงก็หลอกเราอยู่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ตัวเป็นทุกข์ก็หลอกเราอยู่เรื่อยๆไปไม่มีมรสชาติถ้าเราไปเห็นแย้งนะ่ะ อันเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งในะความไม่เที่ยงเห็นแจ้งในะความเป็นทุกขนะ์เรียกว่าวิปัสนาญาณนะวิปัสนาเกิดตรงในไม่ใช่เกิดอันหอเหินเดินอากาศมีฤทธิปฏิหาริทธิที่จริงคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกขนะ์ฤทธิเห็นแจ้งจริงๆริความไม่เที่ยงหลอกอีกไปได้ความเป็นทุกข์หลอกไปได้ฤทธิที่ทำให้สําเร็จแล้ว ลทธิ์ไปทำให้สำเร็จไม่ใช่ฤทธิ์ไปเอาอวดใครไม่ใช่เรื่องอวดเรื่องไม่มีอะไรอวดหมดอาหมดตัวไปเลยไม่มีอะไรไปอวดคนอวดกันคือเพราะความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์บางทีเราไปเห็นความสุขของคนอื่นปเป็นความได้ความดีของคนอื่นมันไม่ใช่ หลังจากไปอ่าเอารถไปเขาตรวจสภาพมีคนอ่ามาถามไม่เคยเห็นกันเลยปีได้กระถิ่นเท่าไหร่ได้เงินกระถินเท่าไหร่เราว่าไม่เคยได้หรอก หลวงพ่อเน้นอะไรได้สิบหกล้านสู้หลวงพ่อเน้นไม่ได้นะใช่ไม่เคยมีเงินสิบหกล้านหลวงพ่อเน้นได้สิบหกเลยพ่อกระถินกี่เนนเอาอันนั่นมาเป็นเร่องสู้ได้ชู้ไม่ได้แล้วก็เลยได้หลงตัวนั่นใช เอาอันนี้มากําหนดเอาคิแต่ห้อยไปเขียนกับได้กับไม่ได้แต่ให้มันเหนือกว่านั่นสักหน่อยอย่าเอาได้มันเป็นสุขอย่าเมาได้มาเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะดันั้นอันสุขกับทุกข์ไม่ต้องมีก็ได้ไม่เจอเห็นเฉยๆก็เห็นเฉยๆเคยเห็นเคยเคยมีทุกข์ไหเห็นมันทุกข์ซะเคยมีความสุขไปเห็นมันสุขซะเมื่อก่อนแล้วท่านเอ๋ อันสุขกันทุกขม่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ใหญ่มากตานทุกข์ก็โอ้ยน้ำตาลนน้ำตาไหลเจ็บตกเจ็บกจเจ็เแขนต่อไปติดขึ้นความอิจฉาเบียดเบียนถ้าเป็นคทุกข์แล้วถ้าเห็นมันก็ชิบโจยไม่มีอะไรถ้าเป็นผู้ทุขเป็นทุกข์ก็ยิ่งใหญ่ เปเลเปียนเป็นตเนเองได้เปลี่ยนคนถึงได้เสียหายหมดเลยเสียหายคนเราเกิดเสียหายจากความสุขควาทุกข์มากมายทะว่ า, า ก, กันมากมายวิชาเบียดกันกันมากมายเืิดจากความสุขควาทุกข์ทั้งทงที่มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสมมติปัญญาสําคัญมั่นหมายเอาเองเป็นสังขารเป็นส่วนสมุทรไทย ในโลกมันนงานรถของโลกเห็นซ่ามีความรู้สึกยิ่งได้ในเวลามันทุกเวลามันสุข ก, ก็ยิ่มได้อันเดียวอันเดียวภาวะที่เห็นเป็นอันเดียวไม่กระทบประเสธอะไรแต่ภาวะที่เป็นกระทบมากบวกเข้าไปลบเข้าไปดีใจเสียใจเป็นสังขาร การไม่ดีใจเสียใจเป็นวิสังขารวิสังขารเป็นนิพพานดีใจเสียใ จ, ใจเป็นสังขารไม่เที่ยงอันไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เป็นผู้ดีใจไม่เกิดผู้เสียใจเพราะมันร่ามันเสียเป็นวิสังขารวิสังขานีานน่เป็นนิพพานนะไดกระแสรพระนิพพานแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยแก้ใจเห็นมัน มันคิดไปรู้สึกตัวนี่ยกระเสภายในผ่านดาวอ่อนสุกรู้สึกตัวกระเสนผ่านดาวออหลงรู้สึกตัวกระเสภายในผ่านด้วมีไหมเวลามีสติเห็นมันหลงไหมไอเห็นมันหลงรู้สึกตัวน่ยกระแสภายในผ่านแล้วเดินไปถึงเดินไปหาภายในผ่านนาวถ้าเห็นนะถ้าเป็นไม่ใช่ภาในอ่านหลังให้แล้วนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ยาก เป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตึงเห็นได้โดยตนเองเขาหลงเราก็หลงเองไม่มีใครทจำมาห ล, ลงจะไปโทษคนอื่นเหตุอยู่ที่กับเรานะเราไม่หลงก็ได้เขาจะว่าอะไรให้เราหลงเราไม่หลงก็ได้เขาจะว่าอะไรทําอะไรเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์ก็ได้มีสิทธิ ร, ร้อยเปอเซ็นี่แบบปัจจุนาะจมปัจจุบันท่านเก่งพูดต่อมาให้ฟังเนาะ ไปยินไหม <c oughs> ออนี่คือหม่ใช่พูดในเชื่อให้เอาไปทำดูเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลามันได้รู้สึกตัวเวลามันเสียรู้สึกตัวเอาตรงนี้เอาตรงนี้รเรียกว่านักปฏิบัตินักธรรม <c oughs> เป็นนักธรรมเป็นนักธรรมมรรการกระทนักปฏิบัติเปยน อะไรอะไรเป็นตัวลูกไปเป็นตัวลูกไปตัวลูกเอาอย่นี้ไปก่อนจะแปเผิดเอาถูกแม้ไม่เห็นมันผิดก็จะเป็นผู้ผิดเห็ุมันผิดบางทีมันถูกคนสงบก็นเยอะไปพอจะไดความสุขความสงบเหมเหมือนกันอันเดียวอันเดียวอย่างเนี้สนุกสนุกนะอะนะ่ะเออเนาะในสักวันนี้สมควรเจอลาพวกกับพระพ้องกัน